เรื่องหญิงต้องการอุปถากด้วยสิ่งที่เลิศ1หนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปธรรมว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะอุปถากพระคุณเจ้าด้วยอะไรดีน้องหญิงด้วยทานอันเลิศดพระคุณเจ้าอะไรชื่อว่าทานอันเลิศเมทุนธรรมท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาท่เศษหรือ n อจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูล